สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะดิฉันสังสนินาทพงษ์นะคะมา เรื่องที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราโดยการใช้หลักต่างๆนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์<ใช> 8 นั่นแหละดิฉันๆเนี่ยอ่าแล้วอริยมรรคมีองค์ ต่อลูกเกเรทุกพระสามีเจ้าชู้ค่ะอ่าได้ๆๆอันดับแรกว่าเอ่อถูกอะไรตีที่แขนถ้าแขนเรามันไม่มันคือการรับรู้ไม่มีนะเราก็ ประสาททั้งหลายแน่นอนแล้วมันจะไปรู้อันนี้ทุกคนว่าคุณมีปัญหาในชีวิตอ่ะเช่นลูกดื้อนะ เอ่อมันรับรู้ผ่านต่างๆหัวชมุกในใจอ่ะเรา 3 กิ๊กเอา 64 กิกเลยอ่าเรา สมมุติว่าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ อ่านการงานเนี่ยมันคิดไม่ออกไหนจะคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะไปสู่ทางตามคิดไม่ได้ทําไง อ่ะสมมุติเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาสมมุติมีทุกข์มากระทบ 8 เอ้างั้นฉันก็รักษาศีลไปฉันก็ การที่เราปฏิบัติตามเรียมรรคมีงค์ 8 เนี่ยจิตกลุ่มรุมจิตใจเรามีกุศล ถ้าเราไม่ได้มีจิตโทสะเออเรายังมีจิตเมตตาบ้างอะไรบ้าง 8 อยู่นะตกแสงสว่างตรงนั้นมาเราเดินตามไปถามว่า โลกเอ่อไม่ดีนะ 8 มรรค 8 มันมันกว้างมากใช่มั้ยเราค่ะท่านคะดิฉันขอได้มั้ย 8 เนี่ย เมื่อไหร่จะ 1 สักทีจะ 8 ใช่มั้ยคะทีนี้อ่าอย่างที่เรา 3 ก่อนดีมั้ยนะเอาข้อค่ะสมาธิทิสมาอ่าถ้า 8 ข้อ เอ่อ 3 หมวดคือเรื่องศีลสมาธิปัญญานะศีลคือสัมมาวาจาสมากัมมันตาสมาอาชีวะรักษาตรงนี้ให้ได้น่ะเป็นวาจาสุภาพที่ชาวเมืองพูด อ่าต่อไปอชีวะของเราน่ะก็เป็นการ เกิดจากการที่เรารักษาศีลของเราได้แต่ความร้อนใจมาจากตัวอื่นมีมั้ยนั้นคิดเรื่อง คิดนึกอ่านการงานอันนี้คือขั้นต่อไปละต่างๆน่ะสภาวะจิตตรง นะถ้าจิตตรงนั้นของเราเป็นสมาธิหรือเปล่าเพราะว่าเรามีความไม่รัง สถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นยังไงพอเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะตอบสนองกลับไป เราก็ขั้นที่ 3 ถัดมาแล้วคือเรื่อง เป็นการปฏิบัติในทุกการกระทําของคนคนนั้นถ้าหากต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์ถูกมั้ยคะอาชีพการอืมก็ทํา เอ่อเอกรรมันตะนี่มีเห็นเกี่ยวกับลูกฉันยังไงเลยเลยทําให้ถูกเว้นไปเป็นข้อๆไม่ใช่ไม่ แล้วเรามีภาษาที่ไหนมีใจที่ไหนเราทําได้ในลิฟต์มันก็มีได้นะไม่จําเป็นต้องไหว้วัดหรือไม่จําเป็นต้อง นะสติจะเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติได้นะวิมุตติก็คือการหลุดพ้นได้ได้ถึงอย่าง ก็เท่ากับว่าเรากําลังทําสมาธิให้มันตั้งมั่นแล้วนะคะอ่าศีลสมาธิละอ่าแล้ว ถ้าเราเคลยซีนี้เราก็จะยิ่งมันทันทีมันมันจะเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยให้มันได้มาตรฐานก่อนได้มั้ยนะในที่นี้ก็คือว่าอะไรมาเคลียร์มรรคกิจๆจิตที่เป็นแบบเนี้ยจะเห็นสภาพค่ะงั้นก็เท่าหรือ หาทางออกมาแล้วหลายครั้ง 8 นะคะ<ใช> 8 ประการแห่งการที่จะอ่าๆจะทํา ตนี่ก็จะสรุปนิดนึงตรงนี้เกี่ยวกับว่าเอ๊ะถ้าเราพูดมาครวนการแต่สมาธิทิจน 1 นะพระพุทธเจ้าใช้คํา เอ่อไม่ใช่เฉพาะเวลาอยู่ในพระหรือปฏิบัติธรรมแต่ขณะที่เราค่ะอ่าอย่างงี้นะมรรคสมังคี ค่ะนะคะอ่าซึ่งบางทีบางคนอาจจะเหมือนกับว่าไม่เข้าใจอ่ะ 8 อยู่ได้ยังไงเอ่อเอ่อก็ลองดู กัปสุตาคือปัญญาปัญญาเกิดนะคะๆก็ขอให้ การโคลาบครั้งนี้ไปได้อย่างดีท่านผู้ฟังคะท่านเป็นพระอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ ได้สามารถที่จะได้ประโยชน์ ได้ทุกน้อยลงทุกข์น้อยลงทุกข์น้อย